เราจะเอายังไงให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมันยังเป็นหนึ่งแต่ตามไม่จริงพุทธกับโทมก็เป็นสองอีกแล้วในความคิดการนึกคิดกับบริกรรมคำวลีกรรมทั้งหมเป็นสองอีกอา้าวถ้ากำหนดดูให้ดูใจการมันเคลื่อนไหว การกำหนดกำหนดการกำหนดเอาสติกำหนดนั่นกัเป็นสองอกเอาสติกำหนดใจดูใจมันก็สองอ mm hmm. เอกท่านพอว่าสติของเรากำหนดดูใจเอาจังสติกาหนด mm hmm. เพราะนั้นเราจะเอาจุดไหนที่เราจะดู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 กายยบยักลกหนอย่างน้ออันนี้แหะคือกายกําหนดลมแล้วก็กำหนดที่หัวใจของเราที่มันเต้นตึกตึกตึกตึก ต, ก ต, กตกอันนั้นก็คือกายหรือเอากําหนดเอาใจของเราให้มีความรู้สึกตั้งแต่หัวจดเท้ามองดูตัวเองอยู่ว่าเรามีร่างกาย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 พอมันปวดมากๆค่ะทุลนทุลายสู้ไม่ไหวอีกแต่ไม่รู้จะต้นตอมมาจากไหนเวทนาผลที่สุดก็เ น, นี่ยสู้ไม่ไหวอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเวทนานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐา น, นเมื่อเราพิจารณาถึงเวทนาคือความเจ็บปวดเวลาเรานั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดทรัพย์มันปวด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 เคารพสิทธิคนอื่นเขาเรานี่คือสิลสมาธิเป็นแนวความคิดยังไงเนี่ยหลวงพ่อธิบายวันนี้อธิบายเรื่องสมาธินะวิปัสสนานะเนี่ยคือเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจนะเพราะนั้นผู้ที่ไม่เคยภาวนาเลยอาจจะงงเพราะงงเพราะเป็ น, เ ป, นเป็นแนวความคิดนะถ้าว่าพวกเราผูดด้ที่ภาวนาแล้วนะ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 เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอพระทุกองค์ให้อยู่ในความสงบอยู่คนเดียวอพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นพระองค์หนึ่งท่านอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวนั่งองค์เดียวอไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแวะกับองค์อื่นอยู่ตามลําพังพระ